ทำบุญมีมนุ์หัวมาพาทำบุญนุ่งใส่บางบนตักนิ้วโทรศัพท์หน้าก็ตรงตรงหลักตาเบาเบาปิดหูใ่ัวปิดตาสองข้างปิาบาโทรศัพท์ก็ปิดไว้ก็ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกบุญอยู่ที่ลมเห็นลมก็เห็นบุญ เห็นบ hmm. ุญก็เห็นใจฟาร์มบ่อืมฟาร์มกันเวลาตกหน่มตื่นเลยว นี่ใครบ้างเคยไปวัดเอคยไปทุกคนไปไปทุกคนคูกไม่เคยไปก็มีจ้ะจ้าทีนี่จังหวัดอะไรบ้างคอนแกนโคราชเพชรบูรีขอนแก่นสกลนครยู่าสเก็ตยโอ้โหครบหมดเลระเอียดไม่มี ไก็มีค่ะไก้ขอนแก่นขอนแก่นก็มีขอนแก่นค่ะมันปูก็มีวัดขนแกนบุรัมย์ก็มีเดลสาเกศบัมขอนแก่นยูไสค่ะวัดวนม่วงัดนนม่วงวัเพอเมืองอยู่ในมหาลัยโอ้มหาลัยขอนแก่นที่อยินทมหายนินรนนม่วง ทางจะไปนาอาไปกุฎอดมันทำบุญเข้าใจไหมทำบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจแต่คนจนมากก็ไปหลงแต่กายก็ไม่ดูใจดูแต่กายทำความเป็นจริงใจสําคัญกว่ากายพอใจเป็นนายกายเป็นเบาวเรามาเกิดมาปฏิสนธิพอใจ อามาถ้าไม่มีใจ <c oughs> ไม่มีบุญเราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใจทุกดวงยังสัมภเวสีแหวงหาที่เกิดนิจอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ติดโฉมมนุษย์สัพติลาโภติดจังพุทธสมุปปาดังจะเป็นมนุษย์ได้ก็ได้พบอยากพบพุศลศาสนาอยากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ควาอยากของใจนะแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยดูใจไม่เคยเห็นใจว่าใจของเรานึกคิดอะไระที่ยังปฏิทินิี่สวยงาสัมสำเวสีประพัดพลังกิตตังสมธาตุใจของเรามันใสสะอาดที่มันใจสกปรกเพราะมีร่างกายในครอบครัวคนม่ลูกมีหลานไม่ใช่ว่า พอมีครอบครัวมีแต่งานแล้วไม่ใช่วันหนึ่งสองวันจะได้มี <c oughs> ลูกมีหลานเกิดขึ้นบางคนเกิดหลายปีหลายเดือนถึงเกิดขึ้นก็มีเพราะนั่นกลใจไปจองได้ซะก่อนนะว่าจะไปเกิดคนนูน้นไปเกิดคนนี้ไปเกิด ท, ที่นู้นไปเกิดที่นี่ กรรมติโฉมนุษยโฉมติลาภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภ เ, เป็นประเสริฐที่พวกเราเป็นลาภเป็นประเสริฐนะได้พบพุทธศาสนาพบทำกรรมสั่นตนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนหรือเปล่าทําไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทําไมไม่ดูใจทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดถ้าเราไม่ดูใจแล้วมันไปเกิดทางที่ดีไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไป พ, พนิพพานไม่ได้พราะ่อนไปดูพระพุทธเจ้าสอนให้คนดูใจตั วันนี้ไม่ให้ตายแล้วจึงค่อยดูแต่คนส่วนมากมีแ ต, ตายแล้วจึงจะไปทําบุญตาแล้วจึงจะ <c oughs> ไปสวรรค์ก็สอนให้ดูปัจจุบันรูปปัจจุบันเห็นปัจจุบันปัจจุบันนางกโยธรรมังถ้าดูปัจจุบันรูปปัจจุบันเสชีวิตก็รู้เหมือนเดิมถ้าไม่ดูปัจจุบันเสียชีวิตเราจะไปยังไงติดไปนรกกลวงพ่อไม่รู้ทางไปสวากการรค์เจ้ากันมมเยงเขาไปคอยถามอยู่นะ คำมุนาวัตติโลโกอาจารย์โรไปตามกรรมเจ้กรรมในเบงเขาไ ป, ป่อยถามว่าตั้งใจว่าจะไปไปฏิบัติธรรมไปเป็นมนุษย์แล้วทุกพระพุทธศาสน า, าแล้วคุณได้ดูสวรรค์หรือเปล่าได้ดูพระนิพพานหรือเปล่ารูปบุญหรือเปล่ า, ะ อ, าอะไรตอบเขาทิ้งไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเขาไม่มีคําตอบมาจากที่ไหนไมาจาก เมือง <c oughs> ไหนมาจากเมืองนรกถ้าไม่รู้ทางไปสวรรค์ก็กลับไปเมืองนรกเมืองเดิมโดยจะไปอย่างที่ใจมันเถียงไม่ได้นะเ <c oughs> ถืองเจ้ากรรมในเวรหรือพระยาจมลปิกานนั่นพขบอกอยังไหนก็ต้องไปอย่างนั้นนี่มันไม่มกายอ่ะเจ้ากรรมในเวรก็คือกรรมที่เราทําอยู่ปัจจุบันเรามาด้วยบุญบุญดีเราม า, า, า, ม, ามาดีอยู่ดีไหมที่นี้ อยู่ดีก็อยู่ในศีลในธรรมบ้างบัญชินั้ น, นพระก็ปฏิบัติธรรมนั่นทําให้ปฏิบัติหรือไม่ทําบุญเเลยก็ตันไม่รู้จากทางไปมัววนมาที่นี่แหละให้เคลื่อนพามาก็ไม่ถูกถามแล้วก็ถามอีกถ้ามาเจ้าหน้าก็ไม่ต้องถามเนี่ยนั่นยังไงทางไปพนธิพานไปสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าเราเคยดูข้างหนึ่งแล้วก็ขยันทำถ้าไม่เคยดูเเลยก็ ไปดูตางไปมีใครบ้างไม่เคดูมีใครบ้างเคยดูใจอ่ะเคยดูหมตั้งแตจเกิดมาดูดูตรงไหนดูหายใจดูตรงที่ความคิดเราด้วยค่ะอืมคอยคอยดูมองที่ความคิดเราด้วยนไปดูความคิดใจมันต้องมีดูใจสมาธิเสียก่อนถ้าไม่มีสมาธิเราดูไหมหล่ะใจ วิ่งไปไหนตอนไหนวันยังข่ำเป็นยังง่งเร็วมากมันแปดเดียวแปดเดียวพเพจะนั่งกัดบีบใจให้อยู่ก็คือสัตจักนวันนี้พระเจ้าประจตกรูปวันนี้เราไม่ได้ตัดจักรูปเป็นพระเจ้าเราไม่หนีจากที่ไม่ลุกจากที่นั่นนี่เราเหมือนกันแหะเพราะมีสัตจักถ้ า, าเราไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้เราจะไม่นอนนป็น น, นั่งทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกวัน วันละ1นาทีเรียกว่าอาหารใจนั่นแหละแต่งใจรักษาใจยัมีเสื้อเอามาแกะออกตอน้นแอบดองลูกหลานด้วยนะจงรักษาใจนั่น <c oughs> รักษาทำไมร่างกายรักษาเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายรักษาอยู่แก่ว่าจะพิ่งใจ รักษาใจมากกว่ารักษาร่างกายนุ น, นี่รักษาร่างกายก็โอ้ยหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอมาจากเมืองไทยระเพียรใจก็มาหาตแต่ของมาเรียกแต่ร่างกายไม่ใช่คืองานของเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่งานแต่งร่างกายเลย <c oughs> เป็นน่นเป็นนี่เจ็บรุ่นเจ็บ น, น, น, นี้เอามาหาหมอหายแล้วก็อีกเจ็บขึ้นอีกอีกม่นานเจ็บอีก <c oughs> มันไม่หายหรอก ก็เสื้อเสดี่ยวเดี๋ยวเก็แก่จแล้วึหายแล้วก็ยังอยู่คือตายนั่นเห็นไหมแต่ของพระเจ้าหมอพระพุทธเจ้าไม่ตายนะสามารักษาได้ยังไงก็ไม่ตายเพราะไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าสอนคนได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้มาเกิดนะที่ในคนในโลกก็าไม่อยากผูใจเกือนี่แต่เกิดเกิดเเกิดทุกวันแต่ความเกิดเต็มหัวใจอยู่ เกิดรล่ะเกิด อ, อากรวยนะได้รวยไม่แล้วทำอะไรอะอยากรักอยากงามอยากวามนรวยอยากสวยงามความอยากก็คือความเกิดนะใช่ไหมเกิด ค, ความยากอยากรนะักอยากโลกนี่ตัวใหญ่ๆนะเอามาไปให้ใจของเราเบื่อหน่ายเอามาใจของเรามันนั่กลัวก็คือสอนใจให้รู้ว่านารกคือความร่ารวยนรกคือความสวยงาม ถ้ามีส ม, มาธิรู้นะถ้าไม่มีสมาธิไม่รู้เจ็ดดาว่ารวยเจ็ดดาวมันรว ย, าาวรวยมันรวยโลกียะมันสุกโลกียะสุขแค่เดียวก็ถ้าเราไม่หนีไปของก็หนีจากเราไปส่วนมากเราหนีไปก่อนอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายแตก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยลําเบื่อไปด้วยไหมสวยงามเอาไปด้วยได้ไหมก็จะ น, นั่นยากไปจริงสมาธินี่ยากแกรู้ บาบุญคุณก้องถูกทุกต้องอยู่ที่ลมเห็ น, หนยไยมคุณพี่สบายไหมไม่มีความนักไม่มีความอากได้ดูเห็นแต่ลมนะพระเจ้าประสองค์อยู่นี่งานของพระสองค์อยู่นี่บ้านของประสองค์อยู่ที่นี่วิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจคือลมทางโลกนี่อะไรเครื่องอยู่ของใจคือร่ำรวยสวยงามอยู่ในนรกไหมอ่ะต้แปะให้ลูกให้มันเห็นเป็นนรกนะ ล้ำรวยทั้งนงัถึงว่านารกขเขามายืมหัวเขามายื่มหัวเขามาพ่นม า, มาขีา้มาค่ามาตีว่จะหมดไปนี่จะยากอยากยากคนมายื่มเราแม่มาส่งถามสองครั้งสามครั้งที่สามเอาปืนไปด้วยตั้งมือปืนไปด้วยยืมแล้วให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ใ ห, ให้เป็นนรกนรกี่แหละรวยเงาเหมือนกันล่ะ เป็นไหมดาราต่อไหร่แต่ร า, าคาต่อไหร่มั่นกันไรเวียดินปินดาแหวนราคากี่ล้านกี่ลา้านสองสามเดือนทะเลาะ ก, กันแล้วเตียงหักแล้วอย่างนั้ น, ะนดาราแต่งงานแล้วดังที่สุดอีกไม่นานเตียงหักแล้วเพราะอะไรเพราะความหึงหวงไปพูดกับผู้ชายไม่ได้หึงกันผู้ชายพูดกับผู้หญิงไม่ได้ไปทํากานทำงานไปทานข้าข้างนอกไม่กลับบ้านกลับมาแล้วทะเลาะกัน ไปทํำอะไรอยู่ไปทํำอะไรอยู่ถึงเวลาหาอาหารเตรียมอาหารไปบ้านไร่ปอแรงแล้วไปทานที่ไหนอีกนั่นนรกไหมล่ะควนกันทะเลาะ ก, กันธรรมะมาแป่แล้วเขาจะนั่นอย่าทิ้งสามารถทำบุญทําบุญอาหารใจทําทานอาหารกายสังขารร่างกายมีอะไรแต่ว่ควาคําว่าคําพูดบอกว่าไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญนะ แต่เขานมากไม่ไม่้อยทำบุญกันเอาของไปถวายพระให้พระยุ่งกว่าทำบุญหเหันไมเตรียมยากนะข้าวน้าบริจาอาหารบางคนเตรียมแต่เมื่อวานนโดยเฉพาะทีกีงานต่างๆเว ล, ล, ลพาพระเจ้าประสุงไปสวดมนต์ไหว้พระถว า, พ า, พาสวดมนต์ไหว้พระพระรักษาศีลไทยพไม่สนใจเร า, าตัุขขงวบของกินตัาถึงพระหายใจได้ <S <S <S <S ไม่เพราะาณสวนี่น บอกปีบ่ายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันกโตมาทำบุญทางพนะทำบุญก็ไม่สนใจวะเจ้มาฝากเศษเจลาเจมดแล้วเล้าเกินเกิบออยากมากคุ้มมากเลยคุณคำพูดเราไปทำบุญไปทำบุญก็ต้องไปกราบไปไหว้ห้องน้ำกราบคำอิมินาสการยนะแล้วก็พูดแค่ที่สวดแค่นั้นหลังแค่นั้นก็ทำบุญดูลงข้อลงบอก ไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องขนของไปให้พระยุ่มคนเราชอบจุ่มนะเอาตามธรรมะหลวงปู่มาเหมือนกั น, กนไม่ใช่มาเอานะมาให้นะการให้ทำเป็นทานมีอนุสง์บิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงให้อาหารใจให้ทำให้ปฏิบัติทำไมไม่ใช่ให้ทำไม่ใช่ทําเป็นเหมือน เข้าเหมือนหน้าเหมือนข้าวต้มขนมนี้ให้ลงมึงทำถ้าบอกทางโลกว่าให้ทํางานถ้าทํางานก็ได้ของตอบแทนถ้าบอทาได้นะว่าถ้าเทียบอาหารใจนะเธอยมทานอาหารนั่นถ้ากำลังหิวอยู่ก็ไม่มีใครว่าชาติหน้าจริงจะทานอาหารเราถ้าทานอาหารใจละฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีบุญกินรุ่นบายนั่นเห็นไหม ยังไม่ทําก็ว่าวุ่นวายก่อนเดีวนะมันดีเห็นความบุ่นวายส่วนมากก็ไม่เห็นไม่ทําไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าความวุ่นวายเป็นยังไงนั่นแหะคนเราชอบยุ่งชอบวุ่นไวายคาอุบายของผู้เจ้ามันไรย้ยางนะคนเราชอบยุ่งคนเราชอบวุ่นวายเอาก่อนอยู่ทางนั้นจะไม่เราจะนั่นให้พยาามนะมาให้ทำมาบอก มีทำอะไรทาํ ม, มาหายเรืนที่ทการทางานรู้แผลเมืตาให้อยู่ไม่ใช่เฉพาะมาอย่เดียวพระจ้าจนาทองรองรับก็คือการทําบุญนั่นแ่ะหรือกับทาเทียบทัาโลกเทวดาโปยฝนลงมาคนมีปัญญาโอ่องไปรองรับก็ได้น้าใช่คนไม่มีสติปัญญาก็ข่อยน้มไหลทิ้งซื้อเอาที่ํำบากกว่า นี่จะอะไรกหมือนกันบุญกุศลไม่ใด้ว่าของทํำง่ายๆของรับง่ายๆแห่มาแล้วถ้าใจไม่อยู่กับเมื่อกับตัวไปไหนล่ะได้ไหมล่ะมันจะไปบ้านนี่ไม่มีคนดูนั่นนี่ใจไม่อยู่กับเมื่อกับตัวจะได้อะไรนีวงปู่ไม่ช่วยน้องปู่ไม่ช่วยนะจะไปช่วยยังไงแต่เราเองไม่รับเองอ่ะว่าเจ้าประสงค์สิ่งสักสิ่งก็แห่เนี้ยตาเหมือนกันนะเฟสตา ไอ้วาสั้างหลายเพื่อนทุกเกิดแจกเจ็บตายไม่มีทุกขสุด ม, มันจึงได้ส่วนบุญส่วนคนที่เจ้าเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วเห็นไหมวะถึงถ้าเราอยู่ถ้าเราไม่อยู่ก็ก็ไม่ได้รับนั่นนั่นก็จะนั่นเหมือนพี่น้องส่งสิ่งส่สขงของมาถ้าเราอยู่บ้านเราก็ได้รับไม่อยู่บ้านาก็าจะรับอะไรโดยเฉพาะบุญกุศลน่าตะนาบารมีนะนะหนาบอกจนแ ล, ล้วลมมูกหลา เพราะ่งบุญกุศลาาปฏิบัติรรมปีหลวงปู่ไปแต่เมตตาปารมีที่บ้านนัม า, มาแล้วทั้งมาด้วยปกติก็มาอยู่เสมอแต่ว่าเราไม่รับเอาอเพราะฉะนั้นจึงจำให้นะหลวงปู่จึงจำให้แล้วห้ดีไปทำเฮดีปฏิบัติพะไม่ได้ซื้อดซื้อไว้บุกินพาทําบุญอ๋เดีซื้อหลวงปู่ไม่บอกนะ แต่ไม่ดูกันนะไม่ทำกันนะทำบุญนะไม่ใช่อาหารใจอาหารใจไม่ได้ซื้อดูกับลมแต่ไม่ดูลมไม่หาหายลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายเราอยู่กับลมแต่ไม่ดูลมไปดูทำไมผมขนเล็บฟันหนังไม่ถืเสียเงินค่าแต่งผมราคาเท่าไหร่ค่าแต่งเล็กราคาเท่าไหร่ค่าแต่งฟันราคาเท่าไหร่ทุกวัน ถ้าแต่เมื่อแต่งหนังราคาเท่าไหร่ปูผลเที่ยวผลตาราคาเท่าไหร่นะ น, น่ะมันแบพอกลมหลงพอกี่เหรียญกูจะเอาบัตเสียชีวิตเอาไปที่ไหนถึงมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาทุนม า, มาด้วยบุญต้องอยู่ด้วยบุญสนะิบุญญาณิปละโลก็จะมิ่งนะ่ะถ้าถูกพบหน้าชานหน้าก็บุญพาไปถ้าไม่มีบุญก็บาปพาไปจะเป็นเกิดเป็นคนอยู่แต่คนทุกคนยากไม่ใช่เป็นอย่างนี้อีกด้วยทุกคนพิการ บางคนก็แขงงอขางอบางคนหัวงอตาบอดก็มีใครอยากเป็นเราถึงทุกคนด้กพราถอดเพรานเป็นบ้านจนโลกอยนั้นเป็นไปได้เพราะกรรมพาไปถ้าเราไม่ทํารักษาบุญเราไปมา Pie, <oh <five ina res> ด <ov |notimestamps|> ้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญสนใจไหมฟังเสียงพระเจ้าสิอย่าไปฟังเสียงเกเล่ที พระพุทธเจ้าว่าไงสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิด แ, แก่แก่เจ็บตายใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมไม่ดูนั่งใจพาไปนะรู้จากทางไปรู้่วยรู้ปัจจุบันเนอะเสียชีวิตไปพักประกาในเรีห้ามไม่ได้ท่นเคยรู้เคยรูนี่ท่านเคยสวัสดนะนะเราก็มีคำตอพยามารจากประกา ร, รพยายุทธิบานะ้านท่นรู้ทุกวันท่านรู้ทุกวันท่านรู้ทุกวันว น, ว น, นั่น ถ้าถามเราไม่มีคำตอบไม่เคยรู้ต้องไปไม่ถูกหรอไปทางสวรรค์ไปทางผลิภัณฑ์ไม่ถูกนีนะเือจ้างนะศีลนะทำมาสอนคนนะสั่งไปไปไปไปผลิภัณฑทบจนจบเขาก็มาติ่งผมน่าเร้ยนว <c oughs> ่า น, นี่ยเอามาแมนี่ยคิดทำเนียน หมดเยผู้ชาติเพี้ยนดิมาลากันท่ามีเลไปว่าไงสินข้อแปดพระไม่ทำไปไม่ถามพระว่าเคยไปว่าน้องเ้าบ้างเคยไปวัดหงพอไหมเคยไปค่ะมีเราไม่หมไม่ทม่ที่แท่นพระมีเราไม่ไหมไมหรือไม่ดูหนึ่งไปดูเด้๋ยไปไปไปไม่ถึงวัดสป มาลาเกินทาพี ana ana. ่เด okay. ็ปแนาทารณะเขาร่องสลรพันมาลาดวงดอกไม่เด็กแต่มันผิดดิป่ะเขาดอกไม่ไปบูญ่าเป็นเขามาเป็นบากเป็นกำเขาเกิดมาถ้าเทียบทั้งโลกแล้วมันถ้าเป็นคนเปลไมีทองดีเป็นดอกเป็นลูกงานมาา เป็นต้นก็เป็นดอกก็ตอนก็เป็นลกูกตัดเขามาฉันจะตัดทันไป่ันจะเป็นลกูกอยู่จะตัดทันไปนี่กูจสอนให้ออมไม่ได้ซื้อจะบาทนมมาเป็นดอกบวกัวระวังว่าใจกาบ ง, งามเหานไหมนั่ น, น, นพระบ้านไหนก็เถินเต็มไปหมดเต็มหอมพระเหตุหลบะ เดี๋ยวจังไปดอกไม้พี่าเอากับดักเขาถือไปดอกไม้เขาพูดอะไรเรื่องหนึ่งก็เป็นการสอนเป็นพุทธกับพิษนะคะทำให้คนเกิดผู้เจ้าสอนให้กลับเพื่อไม่ให้เกิดเกิดได้ทำไมดอกไม้เป็นบุญชายมงเพื่อสวยงามเกิดวันน่นเรเกิดตรงนี้ฉันดักสวยงามโอนั่นเกิดอะไรนี่ันดักสวยงามมันดักสวยงามจนเาดอกไม้เป็นระด งามที่ใจไม่ใช่งามใบหน้าทางสินธรรมให้ใ จ, ใจงามใจงามใจมีสินมีธรรมใจไม่รักใจไม่โลภันเกิดความรักตะ ง, งามได้ไหมหลอกลวงตนเองไปหลอกลวงคนอื่นให้คนอื่นรักทะเลาะ ก, กันแบบนี้พูดได้มึงกินรวยงามเป็นนรกร่ำรวยก็เป็นนรกธรรมะสูงขั้นสูงนะพระพุทธเจ้าได้แต่รู้บางใน ทำที่เราะถาคตในตัตตรูปยากฤฤาีิสามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ทั้งๆ ท, ที่ดูลมนะทำไมทำไม่ได้ของคำของพทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่พระฉะานั้นทำบางคนไม่เคยดูลมเราอยู่กับลมแต่ไม่ดูลมพระเจ้าในตัตรูเพราะพระพุทธเจ้าดูลมทำทานเสียสงไขกับกำไ ร, รแสนมหากับนะนับไม่ได้ทาน แต่เฉพาะชาติทุทไทยใช่จะไปทำได้เหมือนพุนเจ้าทำกันนาสัหรีอแค่เขาบันตีต่อหน้าต่อตาขามโมยกลับขึ้นมาหาว่าประเสธรอนโกหกหาว่าถึห่งหวงทานแล้วไม่มีกิตตะทาอะไรจริงจริงจังๆเอาลูกมาไปดักไว้ที่ไหนไปบังไว้ที่ไหนเอาว่านั้นถึงก็ไปเรียกลูกขึ้นมาชาติสุนไทยเรานะขึ้นมาเถอะ ด้วย <c oughs> พระบิดาให้ได้ตัดทุลูกเถอะไม่ใช่ว่าสันฐานตัดตุลูกเราตีต่อนได้ขึ้นมาเรามาตีต่อนหน้าต่อตาดึงถูถ่ายไปแต่จะให้อะไรสู้ให้กลมอดทนไปจะปนั้นให้พยายามด้วยภาคปฏิบัติในประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แหละไปวัดวไปอะไร โยมโย ม, มอะไรถวายสังฆทานเจ้าค่ะ เ, ออเชิญบูญชาจุดสูตสจุดยานอรรถไงบูชาเชิญถวายสังฆทานเชิญตัวน้ำโยม <c oughs> ไหนเราบอกทำบุญแต่ว่าทําบุญพระไม่บอกทําบุญผลตัวใต้พระไม่เคยเห็นบุญหรือทําไมบอกจะโยมเอาของมาถวายถวายไปเยอะแยะไปมาตามจับพระจักจับไม่ได้ก็ต้องมีสมเด็จจะเป็นสมเด็จเ <c oughs> <c oughs> จ้าค่ะเจ้าคุณใหญ่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่ไปหลงปู่ไปไปตำหนิแต่ห้องยกจนตนเดงขึ้นนะพูดถูกฟังเขาทําคําสัสอนของผู้เจ้ามาพูดถูกฟังพอแม่ลูกปู่้าทําตามคํำสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าพานั่งก็นั่งพักอดโก็อ ด, อดบางปีไม่ได้รับไม่ได้นอนนะก็จะได้มาสอนออกตอนญา้ิโยมมาบอกออกอับตนญาตโยมไม่ใช่ว่าไปโกหกไม่อาจจะเอาตามตํานาไปเรียนไปดูไปรู้ไปเห็น ตรงอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีเอาแจนี้มาสอนใจทำไงสงบทำมทีความสุขดูลมข้าลมบอกลักก็มมีโลกก็ไม่มีปวดก็ไม่มีเพนะจาะนั้นให้พยายามทา ท, ทุกวันทุกวันก็เด้วันถีบมันพะมีโอกาสดีบ้างก็วัดบ้างมีหนะ น, นึ่งขั้นถึงสองขั้งก็ได้ก็พรรษาออกพรรษาามกระถินนึงน่งพอไปได้นะ ไปรัดตธรรบุญนะไม่ใช่ว่าเอาของไปให้นพระยุ่งนะกราบไปไหว้สวดมนต์แช่นี่ทำให้จักพูดหลายหคนก็พูดในใจปรได้ตั้งสติที่ดีกางามไม่ใช่เอาแต่มือลงดิไม่ใช่เจ๊กกราบดิกายลงไปหัวหน้าขาดกราบตรง่อนเพื่อนนั่งตรงกราบสามครั้ง มีนาศกาลเลยนะทางพุทธทางธรรมสั้นทงอภิปูญญามาันเราก็ดูลมเขาลมบอกเป็นสวดแล้วมันต้องไป็นสวดมากกว่าสวดสยบัญชรไล่จบพันจบสวดคาถาเงานินล่างไล่จบพันจบสวดแล้วไม่ทํางานจะได้เงินไหมล่ะอาหารกายเหมือนกันนิ้วเข่านิ้วเข่าบอกไม่ทานเป็นเหนิ้วจะยิ่งไหมล่ะนี่เหมือนกันเหี้วบุญเหี้วบุญจยกได้บุญบอกทาบุญไม่ทําจะได้บุญไะ บอกเรื่องใจอาหารใจไม่ซื้อนะล้มข้าล้มปอกไม่ซื้อนะไปถามท่านเข้าใจอ้ามีหลวงพ้าองค์หนึ่งไม่รู้ว่าท่านเป็นปฏิปทาหรือเปล่าไม่ให้ถูกทุกข์เกิดเท้ยไม่ให้ถวายทุกข์ถวายเตือนไม่ให้ถวายดอกไม่ท่านจะตอบอยังไงบ้างไปวัดไม่มีการศึกษาันเป็นยังไงฮะคือเขาพาตมาเขาพาตมาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระไม่เชื่อหนังสือทํามา ไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเราหรือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาจะเชื่อทําไมคนโง่เขาให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อเหตุผลมันลกลงรังห้องพระโต๊ะหมูกูชาโต๊ะมุกซด้วยเราเราไม่ทุกเชื่อไปตั้งเต็มไปหมดดูเปดนดำปีปี๊อยู่ค <c oughs> วรถูกลคนเชื่อผุ่งไปเลยเหบ่เบิ่งเหม็นบ่ถามเมื่อกี้ไมว่าเห็นหนางร้องห่างเห็นหนาหลวงปู่น่านบน <laughs> ไม่ไม่ไม่ถึงวัดไปวัดไม่ถึงวัดไม่เห็นสถานที่ของพระพุทธเจ้านั่งอยู่ยังไงโดยเฉพาะแหนงดอกไม้เต็มไปหมดโอ้สวยงามสวยงามออกไปมากแทําตามเขาเป็นประเภทนี้ไปถึงประเภทนี้ทีละครเดี๋ยวนี้ฟ้องร้องกันแล้วทีละครประเภทนี้แหน้าไม่ใช่ประเภทนีของพุณเจ้าก็ไปทำเพราะทะเลาะกันเพราะเอาจ้างมองแล้วตกคุกมันมาแหน่าป่ป่วยแต่เวลาพุณเจ้าได้แห่ไหล่ะ สีรข้อสี่ข้อจางข้อไม่ต้สเรื่องทะเลาะกันนั่นะคนเราชอบจุกไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพยายามเน้นหักข้าปฏิบัติบูชาคือทาสมาธิมันไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปวัดหรือบ้านก็ทำได้จ่าเป็นเนีนยไม่มีไหมผอประธานนีแล้วแล้วค่ำคืนปิดอะไรมันเงียบประเทศนี้นะนหลวัวก็นอนลงไปจ่าก็นั่ง ดลมเข้าลมออกหนึ่งนาทีไม่ตายหรอกยังเลยเสียงเกลียดขอทาก่อนขอดูปุนก่อนขอให้อาหารใจก่อนลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกถ้าจา ไ, ได้จริงๆก็ดูสักบครั้งยี่ครั้งก็ได้ไมันเห็นชัดๆนะูว่าลมเข้าลมออกตั้งสติดีๆตั้งอย่าไปยุ่งต่ก่อนเวลาจะทาสมาธิ คิดนู่นคิดนี่ก็จะไปคิดไปหคิดมาที่ลมเชก่อนหนึ่งนาทีไม่ตายหรกอกว่นงั้นเ้าวเกล็ดนั่นปัญญาฆ่าเกล็ดฆ่าไม่ฝากคือฆ่าเกล็ดเพราะว่าไม่ได้ใช้มีดไม่ได้ใช้ปืนปัญญาฆ่ากล็ดแเราไม่มีปัญญาเพราไม่มีสมาธิสิ้นสมาธิปัญญาแสงสว่างเสริด้วยปัญญาไม่มีทําไมบัรดาทำยังไงปัรดาจะเกิดก็คือสมาธิ สมาธิหรือว่าคาบุญอีกคนก็แล้วแต่จะพูดไปแต่ความหมายก็คือดูใจสุขทานศีลสมาธิทานศีลบุญทานศีลภาวนานก็ามาลงไปลงมาให้มันเข้าใจง่ายก็คือทานศีลบุญนั่งทำบุญไปว่าทาบุญไปว่าทาบุญม ก, ก็โกหกเกิดเองไปแล้วไม่ทาบุญพุทายก็โกหกหัว เละเราใจเดือนหน้าทุกส่วนเรารสิมพัฒนาิเจแล้วรัฐนาบุรหพ่อมาบ้านนะครับตัวเป็นศิลป์ก็เป็นมงคลแต่วนทุสุส่วนันเจ้าที่เจ้าทางจัดดีาตินอกกหมายตาจากแล้วก็ดีตลอดทั้งพวกเราก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงมีแตุ่มทุกมเจิญทุกสายุกใจมาจากทุกสโวนพวกไฟพัฒนาเป็นหนึ่งอะไรการงานก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีก็จงสาเร็จจงสาเร็จจงต่งความพัฒนาจงทุกประการ